สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบสองเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สี่สิบเจ็ดในเช้าวันนี้จะเป็นคำถามเพื่อการภาวนานะครับพี่น้ครับคำถามแรกผมจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามในหลักข้อเชื่อของเวสต์มินสเตอร์ คำถามก็คือเป้าหมายหลักของมนุษย์คืออะไรคำตอบเป้าหมายหลักของมนุษย์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชื่นชมพระองค์ตลอดไปคำถามที่สองนะครับเมื่อเวลาเราอธิษฐานแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าพระเจ้าตอบหรือไม่ตอบพระเจ้าอาจจะตอบว่า เอาเลยพ่อจะให้ลูกแล้วขอให้ลูกเปิดใจออกหรือพ่ออาจจะบอกว่ารอก่อนขอให้ลูกอดทนหรือพ่ออาจจะบอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่เหมาะกับลูกพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานนะครับเราอาจจะต้องเขียนรายการอธิษฐานของเรา ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและเราต้องเขียนบันทึกว่าพระเจ้าได้ตอบคาอธิษฐานของเราแล้วหรื อ, อยังหลายครั้งนะครับเราอธิษฐานน้อยไปเพราะว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดในการอธิษฐานในคำทูลของของเราในแต่ละอย่างเราอาจจะอธิษฐานเหมารวมเอาครับแต่พี่น้องครับเมื่อเรามีโอกาสขอให้เราแยกแยะ และละเอียดการอธิษฐานในเรื่องต่างๆพี่น้องเราจะเห็นว่าพระเจ้าตอบคำถามคำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าจำเป็นที่จะต้องบอกเราก่อนเสมอพี่น้องครับคำถามต่อไปก็คือทำไมคำอธิษฐานบางข้อของเราจึงไม่รับคาตอบเพราะเจ้นะของพระเจ้าได้คำตอบนะครับ ท่านหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลกแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอท่านขอและไม่ได้รับก็เพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองราคะตันหาของท่านยากรบทที่สี่ข้อที่สองถึงข้อที่สามครับประบีข้อนี้ตอบชัดเจนนะครับว่าที่เราอาธิษฐานขอ และไม่ได้เพราะเราขอผิดครับหวังไปหวังได้ไปเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของเราอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้ครับพระเจ้าบอกว่าไม่เหมาะสมสำหรับลูกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่เอาไม่ให้คำถามต่อไปครับก็คืออะไรเป็นเงื่อนไขหลักของการได้รับคําตอบคอาอนิฐาน อะไรเป็นเงื่อนไขหลักของการได้รับคำตอบสำหรับคำมริทฐานของเราพระธรรมยอห์บทที่เก้าข้อสามสิบเอ็ดครับพระธรรมยอห์บทที่เก้าข้อสามสิบเอ็ดเพราะพวกเรารู้ว่าพระเจ้ามิได้ฟังคนบาปแต่ถ้าผู้ใดยำเกรงพระเจ้าและกระทาตามพระไทยพระองค์พระองค์ก็จะทรงฟังผู้นั้น พี่น้องครับความบาปนั้นขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าเวลาเราอธิษฐานนะครับก็ทำให้คำอธิษฐานของเราไม่สามารถขึ้นไปได้ในขั้นเด็ดเดี่ครับคนบาปก็ขอผิดครับในขั้เด็กันคนบาปนั้นก็มีท่าทีของการขอตลอดจนวัตถุประสงค์ของการขอนั้น ผิดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องสารภาพบาปก่อนครับแล้วต้องสำแดงชีวิตด้วยการยำเกรงพระเจ้าประพฤติปฏิบัติออกมาเราจะต้องเป็นผู้ที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพระเจ้าก็จะทรงฟังแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพระเจ้าทรงฟังเราเองก็ต้องรู้ว่าเราขอเพื่อ อะไรวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของเรานั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าก็จะตอบคาถามต่อไปครับทําไมเราทูลขออย่างเฉพาะเจาะจงต่อพระเจ้าทําไมเราต้องทูลขออย่างเฉพาะเจาะจงกับพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราขอนะครับพระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเรามีความจําเป็นอะไรแต่พระบุพี ก็ยังสนับสนุนให้เราขอพระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดข้อที่แปดว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาในขณะนั้นที่เราเป็นคริสเตียนแบบเป็นคริสเตียนที่เป็นสาวกนะครับเราต้องรู้ว่าการขอการหาการเคาะคือการพึ่งพาพระเจ้าครับ คือการรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้าสามารถประทานให้พระเจ้าต้องการให้เราขอจากพระองค์นะครับทั้งทั้งที่พระเจ้าอยากจะให้เราอยู่แล้วเหมือนกับผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกขอนะครับเพราะอะไรครับเพื่อลูกจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นใครเช่นเดียวกันครับฉันใดฉันนั้นเมื่อเราทูลขอพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราขอกับพระองค์ พระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเคาะเพื่อที่พระเจ้าจะเปิดให้พี่น้องครับนี่คือคําถามต่างๆในเช้าวันนี้คําถามต่อไปก็คือเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งต่างๆนั้นเราขอโดยสิทธิที่อํานาจของใครพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอบชัดเจนนะครับเราขอโดยสิทธิที่อานาจของพระบุตร หรือพระเยซูนั่นเองในยอห์นบทที่14ข้อ 13-14 สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นพี่น้องครับตรงนี้บอกชัดเจนเพราะเจนะตอนนี้ให้เราทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องขอในนามของพระเยซูครับ เราทูลขอต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซูหลายครั้งผู้รับใชบ้บางคนบางท่านอาจจะอธิษฐานอย่างนี้ครับว่าข้าแต่พระเยซูเห็นไหมครับในความคิดเห็นของผมผมคิดว่าน่าจะข้าแต่พระบิดาเจ้าโดยพระนามของพระเยซูภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในการอธิษฐานของเรา คำถามต่อไปครับเมื่อเราอาธิษฐานขอสิ่งต่างๆท่าทีของเราควรจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับท่าทีของเรานั้นพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้าข้อที่เจดได้บอกกับเราอย่างชัดเจนครับถ้าท่านั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นประการแรกก็คือท่าทีของเรานั้นควรจะต้องมีท่าทีที่เข้าสนิท อยู่ในพระเยซูท่าที่สองก็คือให้ถ้อยคําของพระเยซูนั้นฝังอยู่ในตัวเราทั้งสองอย่างเนี้ยทําให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าขออย่างไงก็ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขอตามน้ำพระทยัยนะครับพระเจ้าจะตอบเราแน่นอนแล้วเราจะขอตามน้ำพระทัยได้ยังไงครับก็คือหนึ่งเราต้องเข้าสนิทเราต้องมีความสัมพันธ์สนิทสนมแน่นแฟนกับองค์พระเยซูคริสต์ประการที่สองก็คือว่า เราต้องให้ถ้อยคำของพระเยซูเพราะชนะของพระเจ้านั้นฝังอยู่ในชีวิตของเราครับเราถึงจะรู้พระไทยของโปรงว่าโปรงต้องการอะไรคำถามสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับก็คืออะไรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนกับการได้รับคำตอบในการอธิษฐานอะไรเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนเรากับการได้รับคาตอบคาอธิษฐาน พูดง่ายก็คือว่ามีความสัมพันธ์กันไหมระหว่างการเกิดผลของครืสเตียนกับพระเจ้าการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานคําตอบก็คือมีความสัมพันธ์นครับเพราะฉะนะพระเจ้าในยอนห์นบทที่สิบห้าข้อสิบหกท่านังหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านังหลายและได้แต่งตั้งท่านังหลายไว้ให้ไปเกิดผลเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพี่น้องครับหากว่าชีวิตของเรานั้นเกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดผลในด้านของการรับใช้พระเจ้านะครับพระเยซูบอกว่าเพื่อให้ผลคงอยู่เพื่อเมื่อเราขอพระเจ้าจะประทานให้ชีวิตของทิสเตียนนะครับเมื่อยิ่งเกิดผลมากนะครับพระเจ้าก็ยิ่งตอบคําอธิษฐาน มากเกิดผลน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะชีวิตห่างจากพระเจ้าห้อยคําของพระเยซูไม่ได้ฝังอยู่แน่นอนครับชีวิตของคริสเตียนเหล่านั้นเกิดผลน้อยอธิษฐานนะครับก็ไม่ค่อยได้ครับมีความสัมพันธ์แน่นอนครับระหว่างการเกิดผลของคริสเตียนกับการได้รับคาตอบจากพระเจ้าในเรื่องการอธิษฐานในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าช่วยเราในวันพรุ่งนี้เราจะ พิจารณาในเรื่องนี้สี่สักเล็กน้อยเพื่อที่เราจะเข้าไปสู่คำวิงวอนที่ห้าขอพระเจ้าไวพรอ พ, พี่น้องที่รักทุกท่านในการภาวนาพระเนะของพระเจ้าและในการอธิษฐานส่วนตัวขอให้ชีวิตการอธิษฐานส่วนตัวของเราทั้งหลายทุกคนรับการเสริมสร้างจากองค์พระเวนเจ้าและจะได้รู้สึกมีความสัมพันธ์ดื่มดําได้ประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่และการสถิตอยู่ด้วยเมื่อเราอธิษฐานอาเมี